วิธีเจริญสมาธิอย่างที่สองการเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาทอิทธิบาทแปลว่าทำเครื่องให้ถึงอิทธิหรือทำเครื่องให้ถึงฤทธิ์หรือความสำเร็จหรือทำที่เป็นเหตุให้ประสบความสำเร็จหรือแปลง่ายง่ายว่าทางแห่งความสำเร็จอิทธิบาทมีสอย่างคือฉันทะความพอใจวิริยะความเพียร จิตตะความมีใจจดจอ่อและวิมังสาความสอบสวนไตรตรองแปลให้จำง่ายตามลำดับว่ามีใจรักภาคเพียรรมเอาจิตฝักไฟใช้ปัญญาสอบสวนอิทธิบาทนั้นพระพุทธเจ้าตรัสพันไว้กับเรื่องสมาธิเพราะอิทธิบาทเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดสมาธิและนำไปสู่ผลสำเร็จ ที่เป็นจุดหมายของสมาธิสมาธิเกิดจากอิทธิบาทข้อใดก็มีชื่อเรียกตามอิทธิบาทข้อนั้นโด ย, น, ยนัยนี้จึงมีสมาธิสข้อคือ 1. ฉชันทะสมาธิสมาธิที่เกิดจากชันทะหรือสมาธิที่มีชันทะเป็นใหญ่ 2. วิริยะสมาธิสมาธิที่เกิดจากวิริยะหรือ สมาธิที่มีวิริยะเป็นใหญ่ 3. จิตตะสมาธิสมาธิที่เกิดจากจิตตะหรือสมาธิที่มีจิตตะเป็นใหญ่ 4. วีมังสาสมาธิสมาธิที่เกิดจากวิมังสาหรือสมาธิที่มีวิมังสาเป็นใหญ่อหนึ่งสมาธิเหล่านี้ จะเกิดมีควบคู่ไปด้วยกันกับความเพียรพยายามที่เรียกว่าประธานสังขารซึ่งแปลว่าสังขารที่เป็นตัวความเพียรหรือความเพียรที่เป็นเครื่องปรุงแต่งขอแปลง่ายๆ่ยว่าความเพียรที่เป็นแรงสร้างสรรหรือความเพียรสร้างสรรได้แก่ความเพียรซึ่งทาหน้าที่สคือ 1. สังวรประธานเพียรระวังบาปอากุศลที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น 2. ประหาหนาประทานเพียรละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้ว 3. ภาวนาประทานเพียรเจริญทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. อนุรักษนาประทานเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปและเพิ่มให้ไพบู์แปลให้จำง่ายตามลำดับว่ากันละ เจริญรักษาที่เรียกว่าประธานสีนั่นเองสมาธิเกิดจากฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาหรือจากความมีใจรักภาคเพียรธรรมเอาจิตฝักใฝ่ใช้ปัญญาสอบสวนได้อย่างไรมีแนวความเข้าใจดังนี้ 1. สมาธิที่เกิดจากฉันทะฉันทะความพอใจได้แก่ความมีใจรักในสิ่งที่รม และพอใจฝ่ายรักในจุดหมายของสิ่งที่ทํานั้นอยากทําสิ่งนั้นนั้นให้สําเร็จอยากให้งานนั้นหรือสิ่งนั้นบรรลุถึงจุดหมายพูดง่ายๆว่ารักงานและรักจุดหมายของงานพูดให้ลึกลงไปในทางธรรมว่าความรักใคร่ใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะดีงามเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ซึ่งเป็นจุดหมายของสิ่งที่กระทําหรือซึ่งจะเข้าถึงได้ด้วยการกระทํานั้น อยากให้สิ่งนั้นนั้นเข้าถึงหรือดำรงอยู่ในภาวะที่ดีที่งดงามที่ประณีตที่สมบูรณ์ที่สุดของมันหรืออยากให้ภาวะดีงามเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆของงานนั้นเกิดมีเป็นจริงขึ้นอยากทำให้สำเร็จผลตามจุดหมายที่ดีงามนั้นความอยากที่เป็นฉันทะนี้เป็นคนละอย่างกับความอยากได้สิ่งนั้นนั้นมาเสพหรืออยากเอามาเพื่อตัว ต, วตนในรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าเป็นตันหาความอยากของฉันทะนั้นให้เกิดความสุขความชื่นชมเมื่อเห็นสิ่งนั้นๆงานนั้นๆบรรลุความสำเร็จเข้าถึงความสมบูรณ์อยู่ในภาวะอันดีงามของมันอาการของความอยากที่เป็นฉันทะนี้พูดแยกออกไปว่าขณะเมื่อสิ่งนั้นหรืองานนั้นกำลังเดินหน้าไปสู่จุดหมายก็เกิดปีติ เป็นความเอิบอิ่มใจครั้นสิ่งหรืองานที่ทำบรรลุจุดหมายก็ได้รับโสมนัสมีความสุขเป็นความช่ำชื่นใจที่พร้อมด้วยความรู้สึกโปรง่งโล่งผ่องใสเบิกบานแผ่ออกไปเป็นอิสระไร้ขอบเขตส่วนความอยากของตัณหาให้เกิดความสุขความชื่นชมเมื่อได้สิ่งนั้นมาให้ตนเสพเสวยรสอร่อย หรือปรนเปลยความยิ่งใหญ่พองขยายของตัวตนเป็นความฉ่ำชื่นใจที่เศร้าหมองหมกหมัดตัวกีดกั้นกักตนไว้ในความคับแคบและมักติดตามมาด้วยความหวงแหนห่วงกังวลเศร้าเสียดายและหวั่นกลัวหวาดระแวงเมื่อเด็กเล็กๆคนหนึ่งอยู่ตามลำพังเด็กนั้นอาจกำลังเขียนภาพอย่างประณีตบรรจงด้วยใจรักตั้งใจให้ภาพนั้นดีงามสมบูรณ์ที่สุด หรืออาจากำลังเอาของเล่นที่เป็นชิ้นส่วนมาต่อเข้าเป็นรูปร่างต่างๆอย่างระมัดระวังให้เรียบร้อยดีที่สุดของรูปร่างที่หมายใจไว้นั้นเด็กนี้มีความสุขหรืองานต่อชิ้นส่วนนั้นดำเนินไปด้วยดีมีความสำเร็จทีละน้อยทีละน้อยยิ่งเมื่อการเขียนหรือต่อชิ้นส่วนนั้นเสร็จสิ้นบรรลุจุดหมายเขาจะดีใจมีความสุขมากอาจถึงโลดเต้นเด็กนี้ทางานนั้น ด้วยจิตใจแน่วแน่ตั้งมั่นพุ่งตรงต่อจุดหมายเขามีความสุขได้งานได้ความสำเร็จของงานนั่นเองเป็นความสุขที่ไม่ใช่เกิดจากการเสพเสวยรสสิ่งใดไม่จำเป็นต้องอาศัยอามวุธตอบแทนและไม่จำเป็นต้องมีใครอื่นมคาคอยดูคอยชมพนอตัวตนของเขาคือไม่ต้องอาศัยรางวัลทั้งที่เป็นกามและที่เป็นภพแต่เมื่อทาสาเร็จแล้ว เขาอาจอยากเรียกใครๆมาดูหรือเอาภาพนั้นไปโอดหรือเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้ชื่นชมกับความดีงามความประณีตสมบูรณ์ของภาพหรือรูปที่เขาต่อขึ้นนั้นบ้างในกรณีเช่นนี้ถ้าผู้ใหญ่ที่ดูหรือรับการอวดนั้นจะแสดงความชื่นชมต่อความดีงามสมบูรณ์ของภาพหรือสิ่งนั้นด้วยหรือแสดงความเอาใจใส่ต่อคุณค่าของสิ่งนั้นตามสมควรหรือเสริมบ้างว่าน่าทาอย่างนี้อีก และหนุนให้ทำดียิ่งขึ้นไปก็น่าจะเป็นการถูกต้องเพียงพอแต่การที่จะชมหรือเอาใจใส่เกินเลยไปจนกลายเป็นการหันจากความดีงามความสําเร็จของงานไปเป็นการพนอกลายเป็นความยึดมั่นตัวตนของเด็กในรูปใดรูปหนึ่งน่าจะไม่ถูกต้องเพราะจะกลายเป็นการแปรฉันทะของเด็กให้กลายเป็นตัญหาเปลี่ยนจากกุศลเป็นอ ก, กุศลไป อาจเป็นการสร้างนิสัยเสียให้แก่เด็กคือเมื่อเกิดมีฉันทะขึ้นเมื่อใดก็จะเกิดตัณหาตามมาด้วยทําให้ฉันทะของเด็กนั้นเป็นปัจจัยของตัณหาสืบต่อไปการฝึกอบรมเด็กในลักษณะเช่นนี้คงจะมีอยู่มิใช่น้อยถ้าสังคมเป็นเช่นนี้คนที่จะมีความสุขได้ด้วยฉันทะจะมีน้อยลงและคนที่จะมีความสุขได้ต่อเมื่อมีการสนองตัณหาจะมีจํานวนมากขึ้น และสังคมก็จะเดือดร้อนมากขึ้นการที่เด็กอยากชวนคนอื่นมาชื่นชมสิ่งที่พบเห็นหรืออยากอวดแสดงนั้นไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่เป็นความสำเร็จของเด็กเองเท่านั้นแต่จะมีต่อสิ่งทั้งหลายโดยทั่วไปทั้งที่เป็นของมนุษย์ปรุงแต่งและที่เป็นธรรมชาติแม้แต่เม็ดหินกรวดทรายใบหญ้าและแมลงเล็กๆที่เขามองเห็นความดีงามสมบูรณ์แฝงอยู่ ความรู้สึกเช่นนั้นจะเห็นได้ไม่ยากแม้ไหนผู้ใหญ่ทั่วไปเมื่อมองเห็นธรรมชาติอันงดงามผลงานที่ประณีตน่าชื่นชมการแสดงออกของคนซึ่งทำได้อย่างยอดเยี่ยมสมบูรณ์เป็นต้นคนมักจะอยากชวนคนอื่นให้มาดูมาชมมาสร้างความรู้สึกที่เป็นกุศลอย่างที่ตนได้รับด้วยในการที่เขาชวนใครๆนั้นเขาไม่ได้ต้องการจะเสพเสวยอะไรหรือจะเอาอะไรเพื่อตนเลย คนที่ได้มองเห็นคุณค่าความจริงแท้ของธรรมก็จะมีความรู้สึกทํหนองเดียวกันนี้อันทําให้ธรรมมีคุณสมบัติเป็นเอหิปัสสิโกคือชวนให้เชิญกันมาดูถ้าสามารถปลุกเร้าฉันทะให้เกิดขึ้นอย่างแรงกล้าเกิดความรักในคุณค่าความดีงามความสมบูรณ์ของสิ่งนั้นหรือจุดหมายนั้นอย่างเต็มที่แล้วคนก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจอุทิศให้แก่สิ่งนั้น เมื่อรักแท้ก็จะมอบใจให้อาจถึงขนาดยอมสละชีวิตเพื่อสิ่งนั้นได้เจ้าขุนนางเศรษฐีพรามคนหนุ่มสาวมากมายในพุทธการยอมสละวังทรัพย์สมบัติและโลกามิตรมากมายออกบวชได้ก็เพราะเกิดฉันทะในธรรมเมื่อได้สะดับทราบซึ้งคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้คนทั้งหลาย ที่ทำงานด้วยใจรักก็เช่นเดียวกันเมื่อมีสันทะนนำแล้วก็ต้องการทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดให้สำเร็จผลอย่างดีที่สุดของสิ่งนั้นของงานนั้นไม่ห่วงพวงกับสิ่งล่อเราหรือผลตอบแทนทั้งหลายจิตใจก็มุ่งแน่วแน่มั่นคงในการดาเนินสู่จุดหมายเดินเรียบสม่ำเสมอไม่ซ่านไม่ ส, า, มสายฉันทสมาธิจึงเกิดขึ้น โดยในยะนี้และพร้อมนั้นประธานสังขารคือความเพียรสร้างสรรค์ก็ย่อมเกิดควบคู่มาด้วยสสมาธิที่เกิดจากวิริยะวิริยะความเพียรได้แก่ความอาหารแกล้วกล้าบากบันก้าวไปใจสู้ไม่ย่อท้อไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรคและความยากลำบาก เมื่อควรรู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึงถ้าวิริยะเกิดขึ้นแก่เขาแล้วแม้ได้ยินว่าจุดหมายนั้นจะลุกถึงได้ยากนักมีอุปสรรคมากหรืออาจใช้เวลายาวนานเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเขาก็ไม่ท้อถอยกลับเห็นเป็นสิ่งท้าทายที่จะเอาชนะให้ได้ทำให้สำเร็จในพุทธการมีนักบวชนอกาศาสนาหลายท่านเมื่อสับพุทธธรรมแล้วเลื่อมใส ขอบรรพชาอุปสมบทครั้นได้รับทราบว่าผู้เคยเป็นนักบวชนอกศาสนาจะต้องประพฤติวัดทดสอบตอนเองก่อนเรียกว่าอยู่ปริวาสหรือเรียกเต็มว่าติดทิยะปริวาสเป็นเวลาสี่เดือนก็ไม่ทอถอยกลับกล้าเสนอตัวประพฤติวัดทดสอบเพิ่มเป็นเวลาถึงสี่ปีส่วนผู้ขาดความเพียรอยากรรลุความสาเร็จเหมือนกัน แต่พอได้ยินว่าต้องใช้เวลานานเป็นปีก็หมดแรงถอยหลังถ้าอยู่ระหว่างปฏิบัติก็ฟุ้งซ่านจิตใจวุ่นวายปฏิบัติได้ผลยากคนที่มีความเพียรเท่ากับมีแรงหนุนเวลาทำงานหรือปฏิบัติธรรมระดับใดก็ตามจิตใจจะแน่วแน่มั่นคงพุ่งตรงต่อจุดหมายสมาธิก็เกิดขึ้นได้เรียกว่าเป็นวิริยะสมาธิ พร้อมทั้งมีประธานสังขารคือความเพียรสร้างสรรค์เข้าประกอบคู่ไปด้วยกันสมสมาธิที่เกิดจากจิตตะจิตตะความมีใจจดจอ่อหรือเอาใจฝักใฝ่ได้แก่ความมีจิตผูกพันจดจอ่อเฝ้าคิดเรื่องนั้นใจอยู่กับงานนั้นไม่ปล่อยไม่ห่างไปไหนถ้าจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้า ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งคนผู้นั้นจะไม่สนใจไม่รับรู้เรื่องอื่นๆใครจะพูดอะไรเรื่องอื่นไม่สนใจแต่ถ้าพูดเรื่องนั้นงานนั้นจะสนใจเป็นพิเศษทันทีบางทีจัดทำเรื่องนั้นงานนั้นขลุกง่วนอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนไม่เอาใจใส่ร่างกายการแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่สนใจเรื่องอื่นเกิดขึ้นใกล้ๆบางทีก็ไม่รู้ ทำจนลืมวันลืมคืนลืมกินลืมนอนความมีใจจดจ่อฝักใฝ่เช่นนี้ย่อมนำให้สมาธิเกิดขึ้นจิตจะแน่วแน่แนบสนิทในกิจที่ทรมีกำลังมากเรียกว่าเป็นจิตตะสมาธิพร้อมนั้นก็เกิดประธานสังขารคือความเพียรสร้างสรรค์ร่วมสนับสนุนไปด้วย4 สมาธิที่เกิดจากวิมังสาวิมังสาความสอบสวนไตรตรองได้แก่การใช้ปัญญาพิจารณาหมั่นไครครวนตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งยอนเกินเลยบกพร่องหรือขัดข้องเป็นต้นในกิจที่ทำรู้จักทดลองและคิดค้นหาทางแก้ไขปรับปรุงข้อนี้เป็นการใช้ปัญญาชักนาสมาธิซึ่งจะเห็นได้ไม่ยาก คนมีวิมังสาชอบคิดค้นหาเหตุผลชอบสอบสวนชอบทดลองเมื่อทำอะไรก็คิดพิจารณาทดสอบไปเช่นคิดว่าผลนี้เกิดจากเหตุอะไรทำไมจึงเป็นอย่างนี้ผลคราวนี้เกิดจากปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบเหล่านี้เท่านี้ถ้าจักองค์ประกอบนี้ออกเสียจะเป็นอย่างนี้ถ้าเพิ่มองค์ประกอบนี้เข้าไปแทนจะเกิดผลอย่างนี้ลองเปลี่ยนองค์ประกอบนั้นแล้ว ไม่เกิดผลอย่างที่คาดหมายเป็นเพราะอะไรแก้ไขที่จุดไหนเป็นต้นในการปฏิบัติธรรมวีมังสกะชนก็ชอบพิจารณาไครครวนสอบสวนเช่นว่าทำข้อนี้ข้อนี้มีความหมายอย่างไรมีความมุ่งหมายอย่างไรควรใช้ในโอกาสอย่างใดควบคู่สัมพันธ์กับทำข้ออื่นข้อใดปฏิบัติธรรมคราวนี้ไม่ค่อยก้าวหน้าอินรีใดอ่อนไป อินซีใดเกินไปคนสมัยปัจจุบันอยู่ในสภาพอย่างนี้ขาดแคลนทำข้อใดมากจะนำทำข้อนี้เข้าไปควรใช้วิธีอย่างใดควรเน้นความหมายด้านไหนเป็นต้นการคิดหาเหตุผลตรวจรองสอบสวนทดลองอย่างนี้ย่อมช่วยรวมจิตให้คอยกำหนดและติดตามเรื่องที่พิจารณาติดแจตลอดเวลาเป็นเหตุให้จิตแล่นดิง่งแนวไปกับเรื่องที่พิจารณา ไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกและมีกำลังเรียกว่าเป็นวิมังสาสมาธิซึ่งก็จะมีประธานะสังขารคือความเพียรสร้างสรรค์เกิดมาด้วยเช่นเดียวกับสมาธิ